أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ق ن, ه ن س ة, ه د ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلله فلا ه ل ا ل ي ل ه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد الرضا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء و أنت الآخر فليس بعدك شيء و أنت ا ل ظ ا ه ر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى بدين الحق ليظهر لدني كله ولو كله الكافرون أما ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของอธาธิบายอัลกุรอานในช่วงของสุรที่90นั่นก็คือสุรอ์อัลบลัดครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรานี้ ภายหลังจากที่พว้อาลัสซุปฮาห์นูวัตตาได้ทรงสาบานกับสิ่งต่างๆแล้วผู้อาลัสก็ได้พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นจํานวนไม่น้อยที่ว่าเขานั้นหลงละเลิงกับสิ่งที่เขามีเขานั้นหลงละเลงกับสิ่งที่เขาได้แล้วเขาก็ได้แสดงความเย่อหยิ่งยโสจองหองด้วยกับสิ่งที่เขาเองก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่ามันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่จะไปทำรลายใครจะไปทําให้ใครอิจฉาริษยาจะไปทําร้ายความรู้สึกของใครหรือจะไปทําให้ใครเสียใจ ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรื่องของคำพูดเรื่องของคาพูดตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของอายะที่9ครับผมอายะที่เก <m> ้าวาริเซนัลวะชาเฟตฟัยอัลลอฮฺ <m> ได้พูดถึงว่าแล้วเราไม่ได้สร้างให้เขามี1ลิ้นแล้วก็2ริมฝีปากแก่นั้นหรือ <m> พี่น้องที่รักยิ่งครับคำพูดคนเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดเราะจะเพบว่าหลายครั้งเวลาที่คนพูดคำหยาบ หลายครั้งเวลาที่คนพูดคำพูดที่ว่าไม่ให้เกียดคนอื่นหลายครั้งเวลาที่ว่าคนพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดพอมีคนไปเตือนเขามักจะบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนทำไมล่ะมันเป็นเรื่องของฉันฉันอยากจะพูดมันเป็นเรื่องที่น่าตลกนะครับพี่น้องแต่ว่าผมผมตลกไม่ออกอะนะคือ กลุ่มบุคคลที่บอกว่าฉันไม่แคร์เวลาที่ไปพูดทําร้ายใครเวลาไปพูดสิ่งที่สร้างความเสียหายเวลาไปนินทาใครเวลาไปใส่ร้ายใครใครก็ตามที่พูดประโยคนี้ว่าฉันไม่แคร์แต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามมีใครสักคนที่ทํากับเขาเหมือนกับที่เขาทํากับคนอื่นพี่น้องว่าเป็นยังไงครับเขาทนไม่ได้ครับเขารับไม่ได้ถ้าเกิดมีใครมานินทาเขาเหมือนกับที่เขาไปนินทาคนอื่นเขารับไม่ได้ ถ้าเกิดว่ามีใครด่าว่าเขาเหมือนกับที่เขาด่าว่าครึ้นเขาก็รับไม่ได้ไหนละครคพูดที่บอกว่าฉันไม่แคร์ไหนละคาพูดที่บอกว่าเป็นอิสระฉันอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ทำไมเมื่อตัวเองโดนมันทำไมตัวเองถึงรับไม่ได้คำพูดที่ท่านอับดอลลอฮฺสั่งสนได้พูดเตือนพวกเราไว้นะครับว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองก็อย่าได้ไปหยิบยื่นมันให้กับผู้อื่น อันนี้คือสิ่งที่ว่ามุสลิมเราโดยเฉพาะ穆斯林เราเราต้องตระหนักให้ดีเวลาก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเราต้องพยายามมีสติแล้วเราต้องพยายามดูว่าอย่าลืมครับคําพูดเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายคำพูดถูกไหมครับก่อนที่เราจะพูดเราสามารถเลือกได้ว่าจะพูดใช้สำนวนไหนจะทําอะไรยังไงแต่เมื่อเราพูดไปแล้วมันจะกลายเป็นนายของเราคําพูดของเราเนี่ยที่ว่ามันจะกลับมาผูกมัด ต, ตัวของเราเองบางคนครับบอกว่าฉันพูดความจริงทำไมต้องไปแคร์ก็ฉันพูดสัจธรรมนี่ก็มันผิดฉันก็ด่ามันเป็นผิดตรงไหน ถามว่าถ้าคุณโดนบ้าคุณชอบไหมล่ะไม่มีคนผิดคนไหนที่ว่าทำผิดแล้วโดนด่าแล้วเขาชอบแล้วก็น้อยเหลือเกินครับในคำสอนอิสลามที่ว่าตอบโต้สิ่งชั่วร้ายด้วยสิ่งชั่วร้ายแล้วมันเปิดหัวใจเขาน้อยมากจนแทบไม่มีถ้าเราจะดูในแบบอย่างของท่านอับดุลเบี๊ย์มุ ส, ส ล, ลิมลฮองอัสซาลัมส่วนมากก็คือสิ่งไม่ดีมาประสบกับท่านท่านอดทนท่านมีฮิกไห แล้วท่านก็ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าแล้วรูปแบบสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านตอบโต้ไปเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุที่ปลอเลาะให้มันเป็นเหตุให้คนได้รับมีดายะตัวอย่างมากมายครับมากมายมหาศาลซึ่งเราก็ได้พูดกันไปในหลายตัวอย่างแล้วตอนนี้ก็ขอมาทักพี่น้องที่รักก่อนนะครับผมก็คุณปัญญาดีเหลือนะครับสละ ม, มาก็ไวลิคุมสลัมวะนับตุลละวะบาร์กกาตุ ullah, uh, นะครับผมแล้วก็มีพี่ซันม่มูบาร์กนะครับสละา ม, มาเช่นเดียวกับคุณพิชยาครับผม สลามเต็มก็ไหวเลยคุณมูซ่าแลมวะรำตุลลอฮฺวะบารักะตุแล้วก็บงังลูแมนนะครับผมก็เจซากุมลมุาาลาแค่นั้ครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรื่องของคําพูดเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ทั้งทางตม ท, ทั้งทางอ่องเราอาจจะเป็นฝ่ายพูดหรืออาจจะมีคนมาพูดให้กับเราคําพูดบางคําพูดที่ไม่มีใครแคร์หรือเราอาจจะไม่ได้สนใจพี่น้องที่รักบางทีคําพูดนั้นมันอาจจะฝังไปในใจของผู้ฟังเราลืมไปแล้วคนพูด เราลืมไปแล้วคนพูดแต่ว่าคนฟังเนี่ยเขาจํามันเป็น10บสปีหรือบางทีมีคนมาพูดกับเราไอ้คนที่พูดน่ยเขาก็ลืมมันไปแล้วแต่มันฝังใจเราไปนานแสนนานเหมือนกับคํากรที่บอกใช่ไหมครับว่าเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนใครเจ็บจนตายก็พราะเน็บให้เจ็บใจมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าแ ล, แล้วพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าในเรื่องของคําพูดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความหายณนะต่างๆมากมายทั้งเรื่องของสงครามจุดเริ่มต้นก็มาจากคําพูด ทั้ในเรื่องของการที่ว่าสร้างความร้าวฉานจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องของคําพูดแล้วก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ดีงามครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากคําพูดเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของลิ้นผมอยากให้พวกเราทุกคนมีสติให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรามาดูห a d i t ที่อยู่ในที่ขยิมมัมติร์มีดีครับซึ่งท่านยิมมัมติรมีดีบอกว่าเป็น h a d i t ฮัซันซาฮียะจากท่านมูอัซบินชาบัลท่านมูอัซครั้งหนึ่งท่าน ได้ไปหาท่านอับดลบบีมุัมม ส, สลต่าครับแล้วก็บอกว่ายาระซูลุลลอฮ์ช่วยบอกฉันได้ไหมช่วยบอกผมทีถึงการงานที่ผมทำแล้วมันจะทำให้ผมได้เข้าสวรรค์แล้วทำให้ผมไกลจากนรกสุบานอวะท่านมุฮัมัไปถามแบบเจาะตรงประเด็นถ้าศัพ์สมัย น, นี้คนต้องบอกว่าไม่ต้องหมุนเสาพูดชัดเจนเลย ยาสุลลอฮ์ช่อบอกผมถึงการงานสักการงานหนึ่งที่ถ้าเกิดผมทำมาแล้วจะทำให้ผมได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของลอฮ์แล้วจะทำให้ผมนั้นอยู่ห่างจากไฟนรกของพระองค์ท่านอับดลีมุสลอหสลัมได้พูดออกมาครับบอกว่าลราก็จะอัลเจอันอัลวีมินว่าอินนุและยาซีรุนอัลเมันยาสราหุลอฮ์อะไรฮีสุบานอัลลอฮ์ครับท่านบับดลีมุสลอหสลัมบอกว่าคุณถามถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะ ท่านบีไม่ได้บอกมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบบีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะการที่เราจะรอดพ้นจากไฟนรกแล้วได้เข้าสู่สวรรค์ครับฟอกอตฟรซอฟาอุันอีมาที่เรากล่กาวในก่อนเขาวาข่าฟอมันซูซียนินนใครก็ตามที่ถูกเอาให้รอดพ้นจากไฟนรกว่าอูดิคิเลนเจนแต่ฟอกอตฟรซอฟาอุันอาดีมแล้วก็ถูกนำตัวเข้าไปในสวรรค์นเนี่ยเขาได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดม ในชีวิตตลอดชีวิตเราในดุนยาการรอดพ้นจากไฟนรกท่านอบียจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและมันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับผู้ที่พวกอขาเลาะให้มันนั้นง่ายได้สําหรับเขาประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับการที่จะได้เข้าสวรรค์การที่จะรอดจากไฟนรกเนี่ยท่านอับดุลเบียร์มัสลิบัลซาลาบอมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะสาหรับผู้ที่เลาะใช้ความง่ายไดกับเขาพี่น้องเคเห็นไหมครับคนบางคนเวลาเขา จะช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยเหลือแบบไม่คิดอะไรเลยเหมือนกับมันง่ายสําหรับเขาหรือบางทีเขาจะบริจาคก็บริจาคเหมือนกับเขาไม่ต้องคิดอะไรเขาจะละหมาดเขาจะจใจสระการเขาจะถือสิ่งอดเขาจะลุกมาตะฮัดยุทธหลายหลายคนอัลรทำด้วยละที่ละล้อให้เขาก็คือเขาทํามันง่ายเหมือนกับว่ามันไม่มีปัญหาอะไรสาหรับเขาเหมือนกับเขาแค่เดินเหมือนกับเขาหายใจมันเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเขามันเป็นเรื่องที่เขาทําำมันมีความสุขท่านโรบีมัสเตอร์สันเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ละล้อให้เขาง่ายมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายใดมากๆเพราะนั้นก็ขอดูว่าจากพูดละ การที่พวกเรานน้นจะทำตัวให้ล้อรักแล้วก็การที่เรานั้นจะห่างไกลจากไฟนรกนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราที่เหตอามีท่านนบีบอกว่าไงครับให้ทาอะไรครับตะบูดุลลอฮลตุชดิกูบีใช้อะบาดุคีมัสซลาบาดุติซักักดา บ, บาดุสุมาโรมดอนบาดุฮิจลบะไบ์ท่านนบีพูดถึงรุกลิอิสลามทั้ง5้าที่พวกเราคุ้นเคยกันดีประการแรกสำคัญที่สุดครับตะบดุลลอฮ์คุณต้องกราบไหว้ต่อร้อนเพียงองค์เดียวห้ามตั้งภาขีต่อพระองค์นะกราบไหว้ต่อร้อนนะ นี่คือเสาสําคัญที่สุดคุณจะทําอะไรทุกอย่างถ้าคุณทําชีริกถ้าคุณยังมีอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงชีริกในบ้านของคุณการอิบาร่าของคุณมันก็แทบจะไร้ค่ากต่ว่าล่องเดียวนะทำการละหมาดนะจ่ายสากาดนะถือสินอดนะแล้วก็ทำฮัจจ์ทำได้ห้อย่างท่านอับดุลเลาะห์สอนเรื่อง5อย่างนี้เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับผู้ที่เอาล่อให้เขาง่ายละหมาดฟชเชอรี่สําหรับบางคนยากเย็นแสนขี่สำหรับบางค น, น, น, น, บบงคนเป็นเรื่องปกติ การถือเส้นดเส้นแบบบางคนนี่มันอดอยากมันทรมานมันแย่มันฝืนมันต้องบน่นมันต้องอะไรในขณะที่บางคนเขารู้สึกเฉยเฉยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างอิบาราฮิมานบ่าวที่อัลลอฮ์มิเเตกับบ่าวที่ว่าเขานั้นไม่แข็งหรความแตกต่างกันมากครับในริสบนี้ครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่ท่านอะบดุลสลามได้พูดในริสบนี้ผมขออนุ ญ, ญาตไม่ขยายความมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันคงต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดจะขยายความเรามาดูประเด็นแล้วกัน ตอนนี้ท่านมุอิสบินชบาญถามใช่ไหมว่าอะไรที่ทำแล้วได้เข้าสวรรค์และไกลจากนรกท่านอาบีก็บอกให้ทําอาการอิสลามทั้ง5ข้อหลังจากนั้นท่านอาบีก็ได้บอกว่าอะไรอัดุลลูกะอะไรขอย์อะไรอบวาบิลขอย์จะให้ฉันบอกเกี่ยวกับประตูแห่งความดีงามไหมความดีที่คุณทําปุ๊บมันจะเปิดไปสู่ความดีงามอื่นๆอีกมากมายความดีงามหลายๆอย่างเมื่อเราทําปุ๊บมันจะดึงพี่น้องดีงามอื่นๆให้เข้ามากับเราให้เกิดบราร์การ ท่านบีบอกว่าครับอซาโมจุนนะการถือสิล ด, ด์นั้นมันจะเป็นโล่โล่จากการที่เรานั้นจะตามอารมณ์เพืออำเภอใจของเราโล่ป้องกันเราให้รอดพ้นจากความกดดกนขอ้อข้อละโลกที่ปกป้องกันเราให้รอดพ้นจากการจะไปทําซีนาแล้วก็เป็นโลกอีกต่างต่มากมายอซาโมจุนนะวสระกัตุเตฟูลขัติอากะมายุเตฟุนมะอุอันนาระแล้วก็การบริจาคทานเนี่ยมันจะไปลบล้างความผิดในอดีตเหมือนกับที่น้ํามันดับไฟ เพราะนั้นี่น้องพวเราทุกคนเป็นคนบาปท่านอบบีบอกว่าการบริจาคเนี่ยมันจะช่วยลบล้างความผิดของเราเหมือนกับที่น้ำดับเพลิงซึ่งผมย้ําหลายครั้งแล้วนะครับว่าเรื่องของการบริจาคทําได้ทุกคนการที่ยิ้มให้กับพี่น้องการให้ความช่วยเหลือเขาการผู้ดีให้กับเขาหรือการให้เป็นทรัพย์สินเขาหรือการให้ความช่วยเหลือการปลอบใจทุกอย่างเป็นบริจาคทั้งสิ้นท่านอบียบอกการบริจาคเนี่ยมันจะเป็นการช่วยลบล้างความผิดบาปของเราซึ่งทุกคนผิดบาปอยู่แล้วแล้วท่านอับดุลเบียร์มัสลายสลั ประตูแห่งความดีงามอีกบานหนึ่งที่พวกเราอย่ามองข้ามก็คือการที่ใครสักคนลุกมาละหมาดในยามค่มาคืนละหมาดทัดหยุดท่านอบีรับรองว่ามันจะนําพาซึ่งความดีงามอีกมากมายมาหาเราไม่เชื่อลองดูครับแล้วเราจะพบว่ามีสิ่งดีงามต่างๆมากมายซึ่งทัานศรัทธาเมื่อพูดมาถึงจนตรงนี้ที่พูดว่าให้ละหมาดยามค่ำคืนท่านอบีก็ยกอายะกุรานว่าแต่แตจะเฟ จูนูบุหุมอานินมาดอจีเยตูนรัมิยยมเขา ว, วัตต์มาไปจนถึงว่าอิละยะมาลุนครับผมในสวรรค์สัจจะด้ยัติสุกถึ็ก็คือเมเดาผู้สะแทนนั้นเขาเลือกที่จะยกสีข้างของเขามาเพื่อทําการลําลึกถึงโพลล์ด้กับความหวังแล้วก็ความกลัวต่อพระองค์ท่านรบีพูดเหมือนตรนนี้มีแต่สิ่งที่ดีงามแล้วท่านรบีก็บอกว่าจะให้ฉันบอกไหมถึงเรื่องที่มันเป็นหัวเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นเสาหลักแล้วมันก็เป็นยอดท่านนบี ท่านมูอัซฟาร์ทยินปุ๊บก็บอกว่าผมอยากรู้ครับท่านนบีมัสยิดสล์ลามก็บอกว่าหัวเรื่องเลยที่มันสําคัญที่สุดที่มันต้องขึ้นต้นเป็นอันดับแรกก็คืออัลอิสลามศา ส, สนาอิสลามเสาหลักของศาสนาอิสลามก็คือการละหมาดแล้วก็ปลายยอดของมันนั้นก็คือการจีฮาดการเสียสละเอาล่ะครับพี่น้องได้ประเด็นของเราละมีแต่ความดีงามมีแต่ประตูแห่งความงดงามมีแต่การให้รอดพ้นจากไฟนรก มีแต่เส้นทางที่ไปสู่สวรรค์มีแต่สิ่งที่ดีงามและจากนั้นท่านอาบีมอลรอสตัมได้พูดกับท่านโมอัสครับว่าจะให้ฉันบอกคุณไหมถึงสิ่งที่มันเป็นปัจจัยกับเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาสิ่งที่ว่ามันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ว่ามันสามารถพลิกทุกอย่างที่ว่ามาให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือให้กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ทําให้การละหมาดของเรากลายเป็นการละหมาดที่เลวหลายที่สุด การให้การชีฮารดของเราเป็นการชี้ฮาร์ดที่เลวร้ายที่สุดทําให้การถือสินอดของเราเป็นการถือสินอดที่เลวร้ายที่สุดทําให้อิบาดาอะไรก็ตามที่เราทํามันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดท่านอับดุลสลัมบอชเชนบอกไหมล่ะมันมีอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะทําให้ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยพลิกได้หมดเลยจะทําให้ดีสุดๆก็ได้หรือเลวร้ายสุดก็ได้ท่านมูฮซได้ยินก็ยิ่งสนใจครับบอกว่ายาระสุลละผมอยากรู้ครับ ท่านอับดุลเบียร์มศุลส์รได้เอาลิ้นท่านมาและก้าวนี้จับท่านนบีบอกว่าระวังมันให้ดีระวังมันให้ดีระวังเรื่องของลิ้นแปลว่าท่านอับดุลเบีย ร, ร์มศุลส์มำกำลังบอกว่าอะไรครับท่านอับดุลเบียร์มูฮัมหมัดสุลลาะอิสลามสอนท่านมูอัสและสอนพวกเราทุกคนว่าไอสิ่งที่บางครั้งพวกเราไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุด ที่จะพลิกการงานทั้งหมดที่เราทําให้เป็นการงานที่เอาล้อรักหรือเป็นการงานที่เอาล้อช่างได้เมื่อท่านโมอัสได้ยินครับท่านโมอัสตกใจแล้วก็บอกยาละซุลลาะนี่เราจะถูกเอาผิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาจากลิ้นเลยเหรอเพราะว่าท่านโมอัสตอนแรกท่านก็เข้าใจก็คิดเหมือนกับคนทั่วไปว่ามันก็คําพูดของเราไงบางทีแล้วก็อุทานบ้างบางทีเราเจะไรตกใจแล้วก็อาจจะอุทานเป็นคําหยาบหรืออุทานเป็นการดา่าอุทานเป็นคํำสาปแช่ง บางทีเราเจอกับเพื่อนก็อยากชวนพูดคุยบางทีกับพูดโกโหกไปซะให้คนมันหัวเราอขบขันกันให้มันสนุกให้มันมีชีวิตชีวาคําพูดของคนบางทีพูดไม่ได้คิดบางทีเราก็พูดไปให้มันผ่านๆไปคือการใช้คําพูดของเราเราใช้ตลอดวันเนี่ยเยอะมากท่านมุฮัมมัดก็บอกว่ายารสโลล้อนี่เราจะถูกเอาผิดเราจะถูกตรวจสอบในทุกๆสิ่งที่มันออกมาจากลิ้นเราเลยคาพูดทุกอย่างเลยถึงตรงนี้ครับท่านอับดุลโมสลัมบอกว่าไงครับ ท่านบับดุลลาฮ์ุสลิมใช้คำว่าเกีและกะอุมุกยาอัสเป็นสำนวนภาษาอาหรับครับใช้ในเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันชัดเจนจนไม่ต้องยกอะไรมาเปรียบเทียบแล้วคือมันแช่มันชัดเจนสุดๆท่านบดุลลาไงครับว่าเลยาคุบุนเนสุฟินนารีอัลาบูชูฮิมอัลลาแมนะครีฮิมอิลลาพัสไซดะอัลซีนัตฮุมสุบฮานะลอ สุภาณัลลอฮ์ท่านอับดุลเบี๋ยมสุลต่านสุลต่านบอกว่าไม่ใช่หรือสิ่งหลักเลยเหตุผลหลักเลยที่ทําให้คนลงนรกโดยที่หน่าไถไปหรือว่าโดนลากไปกับพื้นดินแล้วก็โยนไปใไฟนรกเนี่ยมันล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะลิ้นของเขามันล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากลิ้นของเขาสุภาณัลลอฮ์ครับพี่น้อง ท่านมอาซท่านได้ยินทันกระจกตกใจอย่างที่เรารู้ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับพวกเราหลายๆคนที่หลายครั้งเราอุทาหลายครั้งเราพูดหลายครั้งเราไม่ได้สนใจกับคำพูดของเราบางทีลมพัดแรงก็บอกลมมันจะพัดอะไรแรงนักหนาเนี่ยผักผ้าผ้าปิ้วหมดหรือว่าฝนตกมาเนี่ยทไมเนี่ยฝนปกเลยมันก็เลยบางทีเราพูดอะไรโดยที่เราไม่ได้คิด บางทีเราอาจจะพูดอะไรไปคําพูดของเราไปกระทบกระเทินจิตใ จ, ใจของพี่น้องของเราอาจจะไปล่วงเกินเขาอาจจะไปจอยเหล่หมเขาอาจจะไปนินทาเขาอาจจะไปว่าร้ายเขาอาจจะหัวเราะเราคิดว่ามันตลกแต่เขาไม่คิดว่ามันตลกด้วย <estaba S 1> บาง <ๆ S 1> ทีอาจจะไปตั้งฉายาใครก็ไม่รู้แหละแล้วก็คนทุกคนก็เห็นด้วยกับฉายานี้เจ้าตัวอาจจะหัวเราะทั้งน้ําตาแต่คนที่ล้อก็เหมือนกับว่ามันมันไม่มีอะไรเออมันก็ไอเข่ามันก็ไอเปมันก็ไอดำมันก็อะไรก็ตามแต่ หลายครั้งที่คนโดนล้อเขาน้ำตาตกในแต่พวกเราไม่รู้แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องถูกสอบสวนต่อหน้าพระองค์ลอว่าเราได้ไปทำร้ายจิตใจของเขาแล้วโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเขาไม่คู่ควรกับการที่ต้องโดนดูถูกเกลียดชางอย่างนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับครั้งหนึ่งในสงครามตะบุอย่างที่พวกเราทราบสงครามตะบูนะครับเป็นสงครามที่ว่าอัลล์ทดสอบ วัด إ ي م านของผู้ศรัทธาดูว่าใครจะไปสู้บ้่งไปสงครามที่ว่ามีความร้อนมีความแห้งแล้งแล้วก็ยากข็นกันด้วยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือทรัพย์สินก็คื อ, อยากจนกันเป็นจำนวนไม่น้อยแล้วก็อินทรีย์รำกลังจะออกลูกแล้วต้องเดินทางออกพะยเขามาต้องเดินทางไปเพื่อทําสงครามถึงตะบูกซึ่งอยู่ไปไกลมากขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปหลายเจ็ดแปดรอยกิโลไกลมากระยะทางก็ไกลยร้อนก็ร้อนในสงครามเนี่ยครับเป็นสงครามที่ว่า ชัดเจนเลยว่าใครเป็นมูนาฟิกใครเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับตอนที่ว่ามุสลิมหลังจากเสร็จสิ้นจากสงครามเนี่ยครับก็พวกมูนาฟิกก็มานั่งพูดคุยกันพูดคำๆเพราะสงครามนี้ไม่มีการสู้คื อ, อยกกองทัพไปเมื่อไปถึงใกล้ไปถึงใกล้ๆเนี่ยพวกอาหรับที่ว่ามาร่วมกับชาว อ, าอันดาจกรุมันที่ว่าจะมาถล่มมุสลิมเน่ยเขาก็ได้กลัวแล้วก็แตกพ่ายไปเป็นสงครามที่ไม่มีการสู้รบไม่มีการหลังเลื่อนชนะแบบ ถ้าใช้สับก็คงต้องแบบวัชนะแบบง ง, ง, งๆกับแบบฮะยังไม่ได้รืังไม่ได้อะไรนี่คือความยิ่งใหญ่ของเราแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับในสงครามเนี่ยมุนาฟิกเนี่ยเขาก็ไปคุยกันพูดคุยกันในกลุ่มแบบเหมือนกับพวกเราเราลองจินตนาการง่ายๆบางทีแล้วก็อยากคุยให้มันขำๆแต่นี่มูนาฟิกหล้ำเส้นไปแล้วมูนาฟิกบอกว่าไงเนี่ยดูสิเนะี่ยไอ้พวกเนี่ยพวกทีก่ไปทาสงครามกลับมาไหพวกเนี่ยมันเป็นพวกอะไร ฉันไม่เคยเห็นพวกไหนมาก่อนเลยว่าจะกินจุชอบเรื่องการกินขนาดพวกนี้กำลังว่าซอบาบอกว่าซอบาเนี่ยยึดติดกับเรื่องการกินกินมุมมามทั้งๆที่อย่างที่เรารู้ครับมันตรงกันข้ามกันเลยแต่เนี่ยเขาพูดกันแค่อยากจะหัวเราะอยากจะขำขกันฉันไม่เคยเจอเรื่องเลยใครเนี่ยพูดว่าชอบกินข้างคล้การกินมากไปกว่ากลุ่มพวกนี้แล้วก็ไม่เคยเจอใครหรือว่าเป็นคนขี้ขาดเหมือนกับไอ้กลุ่มพวกนี้แล้วก็ไม่เคยเจอใครหรือว่าเป็นคนขี้โมเป็นคนขี้โกหกเท่ากับพวกนี้มาก่อน แล้วทราดหรอือเคนที่มีคุณลักษณะทั้งหมดที่ว่ามากําลังนินทาว่าคนที่ไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้พี่น้องมันเหมือนกับชีวิตประจําวันไหมพี่น้องหลายครั้งพี่น้องสังเกตดูนะหลายครั้งเวลาที่มีการด่าว่าเวลาที่มีการใส่ร้ายเรามักจะพบว่าคนที่กําลังใส่ร้ายเขานั่นแหละคือคนที่มีคุณลักษณะเหล่านั้นตรงตามที่ท่านอับดุลเบบีมัสลิมบอกเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มุสลิมสองคนมีการชี้กันหรือว่าคนสองคนมีการชี้กันบอกว่าคุณเป็นกาเฟส ซนบีบอกว่าต้องมีหนึ่งคนเป็นกาเฟสถ้าคนที่ถูกว่าไม่ใช่กาเฟสไอคนพูดต้องเป็นกาเฟแตแปลว่านี่คือสิ่งที่มันมีในสังคมนี้จริงพี่น้องลองสังเกต ด, ดูหลายหลายครั้งที่ว่าคนสองคนมานั่งนินทาใครสักคนในสิ่งที่ตัวเองแหะทำมันมากกว่าคนนั้นสิในทีนี้ครับมูนาฟิกกำลังใส่ร้ายสฮาระบาใช้คำว่าใส่ร้ายเลยเพราะมันไม่มีความจริงเลย แล้วก็พอพูดเสร็จเวลาไปเรื่องที่มีการใส่ร้ายในกลุ่มสนทนาก็มักจะเป็นยังไงครับก็หัวเราะกันสิเออใช่นะเออเนี่ยเนพองเอ่อพุงยื่นเลยเนี่ยโอมันมันห่วงกินมันชอบโกหมันขี้ขาดมัมันไม่เหมือนชัดรอกฉันแกหันทั้งทที่ฉันอะไม่รวมสงครามแต่ก็บอกว่าฉันแกหันท่านอัฟบินมาลิกครับได้ยินครับท่านอัฟบินมาลิกได้ผ่านไปแล้วก็ได้ยินแล้วก็บอกว่ากระรับแต่วลากินนะแกมุนาฟิกแกน่ะ โกหกทั้งหมดที่พูดมาเป็นการโกหกแต่ว่าพวกแกน่ยจริงๆแล้วเป็นมูนาฟิกเป็นคนกลับกอกตั้งหากหละเพราะมาใส่ร้ายอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการกลับกอกท่านอัลฟินมาลิกก็เลยบอกว่าฉันจะไปบอกให้รอสูล ร, รู้ฉันจะไปบอกถ้ารอสูลสละลายสลัมรู้ท่านอัลฟินมาลิกก็รีบจะไปหาท่านอบีแล้วก็ไปบอกไปไรายงานบอกว่าเนี่นอนบนไส้มันกําลังนสนุกปากกลาลังใส่ร้ายบรรดาซอบา ก, กํลาลังใส่ร้ายคนที่เอารอรักอยู่ก่อนที่ท่านอัลฟินมาลิกจะไปถึงครับ โดนแสงเรียบร้อยพอเราประธานอายะกรานมาก่อนที่ท่านอัลบินมาลิกจะไปถึงท่านนับีุมสรอรอของอัลลอฮสละมสอีกพอเราประธานอายะกราดมะเลยรับว่าวะลาอิน سألتهم لا يقولون إنما قلنا نخود ونلعب كل أب الله وآياته ورسوله ุ ن ت م تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد มานิ ن ุม อิ um um er นนักฟูอันต่ออิฟติมิงกุมนูอดดิบต่ออิฟตันบีอันนูฮุมแกหนูมุชยริมีนนี่สระต่อบาครับอายาที่หกสิบห้กับหกสิบเพราะเรได้กล่าวไว้ครับว่าหากว่าเจ้าไปถามพวกเขาหากว่าเจ้าไปถามพวกเขาคือตอนเนี่ยครับพอท่านอาบินมาลิกกำลังจะมาฟ้องท่านนบีกำลังจะมาบอกท่านนบีพวกมุนาฟิกก็รีบมาก่อนเลยรีบมาแล้วก็มาเกาะ พาณิชย์ที่ท่านนบีกําลังนั่งอยู่บางกระบอกเป็นม้าเป็นอะไรก็เกาะแล้วก็บอกยัซูละเราพูดกันขำๆเฉยๆเราแค่อยากจะสนุกกันก็นเหมือนผู้ชายอยู่กลุ่มแล้วก็อยากจะหัวเราะให้มันขำๆขกันเฉยๆพอเราประทานยักกุลันว่าไงครับหากเจ้าถามเขาพวกเขาก็จะบอกว่าเราแค่เล่นเฉยๆเราแค่ล้อเล่นพอเราบอกว่าจงกล่าวจงพูดไปเลยมูฮัมหมัดเจ้ากําลังล้อเล่นกับอัลลอฮ์กับรอซูลของพระองค์แกนั้นหรือ เจ้ารอเล่นกับอัลลอ์กับรอเล่นกับรอซูลกันนะั้นหรือลาตะตะจีรูไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ตัวก็สกัฟรตุมบาดอีมานนีกลุ่มประเด็นนี้ชัดเจนครับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นกาเฟตแล้วหลังจากที่พวกเจ้านั้นเข้ามาเป็นมุสลิมก็ามาปมมแปลว่าหุกกลมการเยาะเยะ้ยถากถางพวก Allah าารรอั ล, ลลอส์ซุบฮานตะหรือท่านับดุลสลลอเวสลมเข้าข่ายเป็นกาเฟตเลย แล้วก็เราจะพบว่าหลายครั้งที่ว่าบางทีมุสลิมเราพูดแบบไม่คิดบางคนไปเจอพี่น้องไม่เคยไว้เขาแล้วไว้เขาโอ้ยนี่มันไว้เขาแล้วเหมือนกับเขาแพ้เขามันน่าเกลียดเหมือนกับหางซุนนะอะไรก็ตามแต่นั่นงเขากําลังทําตามซุนนะของท่านนบีมุสลออิลมซึ่งท่านนบีสั่งให้ผู้ชายต้องไว้เขาแล้วพวกเราให้เขาเขาเป็นแบบนั้นการที่ไปดูถูกการที่ไปเน็บแนมการที่ไปว่าร้ายกําลังว่าใครว่าซุนนะนบีเหรอหรือ ว, ว่าการสร้างของเรา เลือกเอามีสองอย่างกําลังว่าสุนนะของท่นานอบีแบบอย่างของท่นานอับดุลเบียบมัสลลัลฮุสลาห์หรือหรือกำลังว่าการสร้างของผู้อัลลอฮ์ทั้งคู่หูกลมหนักหลายครั้งครัเราจะพบว่าเวลาที่มีมุสลิมที่อยากจะทําอะไรที่เป็นแบบอย่างของท่นานอับดุลเบียบมัสลลัลฮุสลาห์หลายครั้งที่เขาถูกเหยียดหยามเขาถูกดูถูกไม่ใช่จากกาเฟสนะแต่จากคนที่แางว่าเป็นมุสลิมด้วยกันดูถูกเวลาที่มีคนอยากจะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์รัก น้าอุซบิลลาฮิมินซลิกน้าอซบิลลาฮิมินซลิกครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องขอยมัมัมอมัดท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอฮิลมได้พูดไว้นะครับว่าอินน่า أحداكم لا يتكلم ب ك ل م ة ت من ردوان الله ما دون أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها ردوانه إلى يوم يلقاه ท่านนบีมุสลิมได้บอกครับว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยอาจจะพูดคําพูดอะไรสักหนึ่งคำพูดท่านนบีใช้คำว่าแค่คําพูดเดียวเลยนะไอ้ไกลมั้ด้วยกับหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำก็คืออาจจะเป็นสํานวนหนึ่งอาจจะเป็นประโยคหนึ่งคําว่ากกลมะ้หมายถึงประโยคก็ได้แต่คืออาจจะพูดสักวักหนึ่งพูดสักประโยคหนึ่งซึ่งเป็นคําพูดที่ทําให้อลลอฮ์พอใจใครสักคน อาจจะพูดคําพูดสักประโยคนึงที่ทําให้อัลลอฮฺพอใจซึ่งมันได้ไปถึงในที่ที่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงมันยังประโยชน์ให้กับผู้คนลหลายๆคนมันอาจจะยังประโยชน์ให้กับคนที่ชีวิตเขากําลังเศร้าบางคนครับวันนั้นรู้สึกว่ามันแย่เหลือเกินแต่บางทีแค่ประโยคประโยคเดียวมันอาจจะทําให้เขานั้นมีชีวิตชีวามันอาจจะเป็นการชุบจิตใจของเขาให้มีกําลังใจที่สู้ต่อไป นบีก็บอกบางทีคนบางคนอาจจะพูดคําพูดซึ่งเขาก็ไม่คิดว่ามันจะให้ผลอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจคำพูดนั้นแล้วมันก็มีผลมากกว่าที่เขาคิดจนกระทั่งว่าพงอัลลอฮ์ได้บันทึกให้เป็นผลบุญสําหรับเขาไปจนถึงวันกียรมะไปจนถึงวันเกี ย, าากยาาร์มะแปลว่าคําพูดนั้นที่พูดประโยคเดียวได้ผลบุญแบบต่อเนื่องจนถึงวันกียรมะสุบฮานอัลลอฮ์ บางทีพี่น้องอาจจะไปให้กำลังใจใครสักคนเขากำลังท้อรับกำลังรู้สึกแย่พี่น้องอยากจะช่วยเขาแต่ตัวพี่น้องก็เอาตัวเองไม่รอดแต่อย่างน้อยพี่น้องก็รู้สึกว่าอยากจะปลอบเขาอยากจะพูดดีๆอยากจะให้กําลังใจอยากจะทําให้เขานั้นลุกขึ้นมาได้พี่น้องคีอรักถ้าคําพูดนั้นพี่น้องพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจพูดด้วยความจริงใจด้วยความรักในฐานะที่เป็นมุสลิมอยากให้เอาล้อรักพี่น้องใครจะไปรู้อลัลลอฮฺท่านนั้นที่ดู ด้วยกับคําพูดประโยคนั้นพี่น้องอาจจะได้ผลบุญจากโพกลัสซุบฮานวุวาตาลาไปจนถึงแม้แต่พี่น้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วไปจนถึงวันเกียร์มาด้วยความไม่ตาของโพลล์พี่น้องที่รักยิ่งครับฮาดิสนี้เป็นฮาดิสที่อบอุน่นเป็นฮาดิสที่ว่าสร้างความหวังแล้วก็เป็นฮาดิสที่น่าสะพึงกลัวเพราะท่านนาบีมศ ส, สลละไม่ได้จบฮาดิสแค่นี้ท่านนาบีท่านได้พูดต่อครับว่า وإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَاقِطٍ لَا مَا يَدْنُ أ َ ن َ ي ي ن ن ه َ ا تَبْلَغُ مَا ب َ ل َ ق َ ت ْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا س َ ا ق ط َ ه ُ إلَى ي َ و ْ م يَلْقَاهُ ن َ و ْ ب ا ل ل ه م ن ذ ل ك ل ق, ق ب ب ي ي د ْ ب َ ع ْ ت น ي คนใดในหมู่ของพวกท่านท่านอบีพูดถึงมุสลิมเราในแหละไม่ได้พูดถึงใครคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านอาจจะพูดคำพูดที่ว่ามันทำให้อลลอฮฺ ที่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะทําให้พระองค์โกรธได้ขนาดนั้นซึ่งพระลอค ก, ก็บันทึกไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้พระองค์โกรธบันทึกไปเรื่อยๆผลที่มันเกิดขึ้นกระจายไปหาใครๆได้รับผลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เขาจะได้ไปเจอต่อกับพระลอคซุบฮานะฮุวะตาอาลลพี่น้องที่รักจะมีอะไรน่าสะเพงกลัวกว่าการพูดคําพูดที่เราไม่ได้แคร์ ที่เราบอกว่ามันก่อสิทธิของฉันมันก่อความจริงฉันพูดความจริงฉันจะไปสนใจอะไรแหละฉันผิดตรงไหนแหละผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นคําพูดที่ทําให้พ่อละซุปฮาห์นุวฺตายแลาลังเกียจหรือว่ากโกรธพี่น้องเตรียมพบความหายหนะไว้ได้เลยเตรียมพบความหาไหนะไว้ได้เลยผมไม่ได้สาบแช่งใครครับพี่น้องผมก็เป็นห่วงตัวผมเหมือนกับผมที่เป็นห่วงพี่น้อง แต่นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลของอะเลวะสลัมได้เตือนพวกเราไว้ว่าคำพูดมันอันตรายขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่สามารถพลิกการงานทั้งหมดที่เราทำตลอดชีวิตได้แล้วบางทีอาจจะเป็นแค่คำพูดคำเดียวที่ทำให้พวกอัลลอฮ์โกรธเกลียสเราไปตลอดชีวิตของเรานะอูซูบิลล่ะนะอูซบิลล ท่านนบีมัสรุซัมได้พูดไวยในบคลีมาบุคลีคมา穆สลิมครับบอกว่าอิตะกุนนาระวลาอุบิชกิตมราะฟ إ ن لم تج ิต فبيكليماتين ت นบุลีมาบุคคลีมาสลิมครับท่านนบีมัสรุสซัมได้บอกเอาไว้ครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงสำรวมต่ออัลลอ์พวกท่านทั้งหลายจงสำรวมต่ออัลลอ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงตักวาต่ออัลลอ์ด้วยกับรูปแบบไหนก็ตามที่ว่ามันสอดคล้องกับกุรอานกับพาิสแน่นอน แต่ก็คือด้วยกับรูปแบบไหนก็ตามเท่าที่เราพอจะทําได้ท่านบีบอกว่าต่อให้จะเป็นด้วยกับอินทรพาลัมสักซีอีกหนึ่งชักกิจตั้มรอบางทีเราไม่มีอาหารกินเลยเรามีอินทาลมเม็ดหนึ่งเราก็หิวคนรักของเราก็หิวเรากินคนเดียวเม็ดหนึ่งมันก็ไม่พออิ่มแต่ด้วยความรักที่มีให้กับเขา ด้วยความตักวาที่มีต่ออลัลละฮ์ชาญหิวเขาก็หิวชันรักเขาเหมือนกับที่ชันรักตัวฉันเองงั้นแบ่งกันคนละครึง่งบีชักก็แม้จะเป็นแค่เศษเสี้ยวของอินาผาลัมพี่น้องปกติมีใครแบ่งเศเสี้ยวอินาผาลัมไหมครับแล้วส่วนใหญ่จะมีกันเยอะจนแบบว่าให้ได้เป็นกองเป็นกองแต่ท่านอับดุลเบี๊ยมัสลิลาสัลบอกว่าต่อให้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวอินาผาลัมถ้าคุณมีความสามารถจะทําได้เพื่อป้องกันตัวของคุณให้รอดจากความโกรธกิ้วของอลัลลอมกาัฮ์เพื่อเพิ่มโอกาส ใ, ให้คคุณมมีววาหัง กับความเมตตาของผู้ล้อมากขึ้นท่านอบีบอกว่าจงทำซะรูปแบบไหนก็ตามที่มันเป็นรูปแบบที่จะทําให้เอาล้อรักทําให้เอาล้อพอใจอะไรก็ตามที่เราพอจะทําได้ด้านไหนก็ได้ต่อให้เป็นแค่แบ่งองิละป่าลําแค่เสียเสี้ยเดียวก็จงทํำซะท่านอับดุลเบียร์มุสลิมบอกว่าแต่ถ้ายังทําไม่ได้บางคนเอาล้อทดสอบครับเข้าข า, ขายฟักีิตไม่มีอะไรจะกินจริงๆตัวเองก็แทบจะไม่มีจะไปแบ่งอาหารให้คนอื่นก็แบ่งไม่ได้จะช่วยอะไรคือหมดสิทธิ์จริงๆแล้ว ท่านอบีมมัสยิสลัมบอกถึงรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วที่ทุกคนก็ทําได้ท่านอบบีบอกว่าไงครับถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ให้พูดดีๆให้ใช้คําพูดที่ดีการลุมมาลูฟูวะมักฟิร์ตุนค่อยรุมินซาลกติยัตบลฮะอัตเะคำพูดที่ดีคําพูดที่ว่าให้กําลังใจกันและการการขอไปโทษต่อลอสซาตาลานั้นดียิ่งกว่าการที่เราจะให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วไปลําเลิกกับผู้อื่น นี่คือสิ่งที่พ่อละศุภะนูตาลาที่เตือนพวกเราไว้แล้วก็ท่านอับดุลเลาะห์มัสลลอยสลัมก็เป็นห่วงพวกเราแล้วก็ได้เตือนพวกเราเอาไว้ครับมันคือลิน้นมันคือปากมันคือคําพูดที่ออกมาจากปากของเราซึ่งพี่น้องที่รักยิ่งครับผู้ศรัทธาการที่เขาจะพูดดีได้นั้นการที่ใครสักคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นจะพูดดีได้นั้นเขาต้องมีสมองค์ประกอบ เขาต้องมีสามอย่างเขาจึงจะสามารถทํามันได้อย่างเป็นธรรมชาติประการแรกครับเขาต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะได้การตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่คือท่านนบีมุสลิมส์ถูกไหมครับทุกอย่างที่ท่านนบีทําทุกอย่างที่ท่านนบีพูดคําพูดดีๆที่ท่านนบีพูดให้กับคนทุกคนที่ทําสิ่งไม่ดีกับท่านนบีท่านนบีทําไปโดยรู้สึกเป็นธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะท่านหวังความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะท่านหวัง การตอบแทนจากเพราะท่านหวังความรักจาก a l l a นี่เรียกว่าอัลยก็น บ, บิสะวาบิละอายเลฮยากินเชื่อมั่นว่าในการที่เราพูดดีเอาลอจะให้การตอบแทนกับเราอย่างแน่นอนเหมือนกับที่ผู้เอาลอได้พูดถึงเมาลาอดผู้ศรัทธาคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเขาใช้ความช่วยเหลือคุณวายต์เตยมูนัตต้าามะลาฮุบิฮิมิสกีน่วายตีมะวะอซีร อินนัมานุษเอยมุกุมลิวะชิิลละลานูรีดุมินกุมจลาะวลาชกรอวู้รากเอาถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาให้ความช่วยเหลือคนอื่นเขาใช้อาหารแก่คนอื่นให้อาหารแก่คนที่เขารักทั้งคนที่เป็นคนยากไร้ทั้งที่เป็นเด็กกำพร้าทั้งต่อให้เป็นเฉลยศึกก็ตามเขาใช้ความช่วยเหลือแล้วเขาจะบอกว่าไงครับที่เราให้อาหารคุณที่เราให้ความช่วยเหลือแก่คุณลิวะชิหิลละ เราหวังความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺและนูรีดูมินกุมจัจะอวาราฉุกเรอเราไม่ต้องการแม้แต่การตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากคุณหรือแม้แต่คำขอบคุณนี่คือหัวใจของมุสลิมครับเพราะนนเวลาที่เราพูดดีเราจึงไม่แคร์เลยครับว่าการพูดดีของเรานั้นจะถูกด่ากลับมาจะถูกตะคอกกลับมาคนจะไม่เห็นคุณค่าเพราะอะไรครับเพราะเราพูดดีเพื่อให้อัลลอรักเรา เพราะฉะนั้นคนที่จะพูดดีได้ในสถานการณ์หลายๆอย่างที่เขาอยากจะดา่าเขาอยากจะสาบแช่งเขาอยากจะทำอะไรที่มันเกินเลยขอบเขตของอิสลามสิ่งแรกที่เขาต้องมีให้ได้คือเขาต้องเชื่อมั่นว่าพระลอาจะตอบแทนเขาซึ่งมุสลิมเราทุกคนเราต้องทำให้ได้ฮัลจะอุลอิฮเซนอิลลัลเอซานเหมือนกับที่วาากะในุลอาราะห์นครับว่าจะมีการตอบแทนความดีงามใดนอกจากเป็นความดีงามเหมือนกัน ทำดีเอาลอก็ต้องแตะแทนด้วยกับสิ่งที่ดีพูดคําพูดดีๆเอาลอก็ตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีพูดดีพูดกันได้ทุกคนครับการพูดดีการพูดสุภาพไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนอ่อนแอไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตุ๊ดเป็นแตว๋วเป็นอะไรบางทีเวลาเจอคนพูดสุภาพบางทีเขาบอกว่านี่เป็นตุ๊ดหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ชายมันต้องหยาบมันต้องกักกะมันต้องด่าไปทั่วมันต้องหยาบเหมือนกับที่ฉันหยาบสิเอามาจากไหนเอามาจากกฏฐานอายะไหน เอามาจากฮะดีษบทไหนที่บอกว่าให้กักขะให้หยาบเวลาที่ว่าเผยแผ่ศาสนาธรรมที่บอกว่าให้สาบแช่งกันเอามาจากไหนในกุรอานเอามาจากไหนในฮะดีษเอามาจากไหนในพฤติกรรมของท่านนบีรรมุสลิมตลอดช่วงชีวิตที่ท่านทำเพราะนั้นคําพูดที่ดีที่จองมาจากผู้ศรัทธาได้นั้นมันหมายความว่าประการแรกเขานั้นต้องหวัง การตอบแทนจากลอสอย่างแท้จริงถ้าหวังอย่างแท้จริงอินชาลอสตลอดชีวิตเขาจะพูดแต่สิ่งที่ดีได้แน่นอนเพราะเขาไม่แคร์คนอื่นและ ว, ว่าคนอื่นจะตอบโต้พูดความดีเขาด้วยกับความชั่วหรือและก็ตามเพราะเขาไม่สนใจแม้แต่คําขอบคุณไม่ต้องมาขอบคุณฉันก็ได้ไม่ต้องมาตอบแทนฉันก็ได้ฉันหวังจากอลอสอันที่สองครับการที่ใครสักคนจะพูดดีกับคนอื่นได้ต่อให้เขาเป็นคนที่ทําไม่ดีกับเรา สิ่งที่เขามีมันอย่างแน่นอนก็คือความรักที่เขามีกับผู้อื่นพี่น้องที่รักยิิงครับหนึ่งในฮารีสที่ว่าทำกันได้ยากมากในยุค ป, ปัจจุบันลายุมินูอฮาดุกุมฮัตตาโยไฮบาริอาคีฮิมาโยไฮปุลีนับสีคนหนึ่งคนใดของพวกท่านจะยังไม่ศรัทธายอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขารักที่ใช้พี่น้องเขาได้เหมือนกับที่ตัวเขาเองก็อยากได้ทำยากมากครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่ว่าเรารักพี่น้องของเราจริง พี่น้องก็จินตนาการง่ายๆครับอาจจะเป็นอาจารย์ที่พี่น้องรักก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ที่พี่น้องรักเป็นคู่ครองที่พี่น้องรักเวลาเรารักใครถ้าเขาทําผิดเราจะด่าเขารแรงๆไหมถ้ารักเขาจริงแล้วให้เกียรติเขาจริงถ้าเขาทําผิดเราก็เตือนเขาดีๆบางทีเราไม่กล้าเตือนด้วยซ้าใช่ไหมครับอย่างบางทีเราเห็นอาจารย์เราผิดชั่วๆบางเรื่องอย่างเงี้ยบางทีเราก็เงียบบางทีเราก็เชียร์เดี๋ยซ้ําแต่ถ้ามัน มีความรักในหัวใจของเราอย่างแท้จริงโดยที่ต้องผ่านข้อแรกก่อนก็คือเราหวังว่าเราจะตอบแทนเมื่อเราเจอเราก็ต้องเตือนเราก็ต้องพูดแต่เราจะเลือกรูปแบบไหนเราก็ต้องเลือกรูปแบบที่ดีเป็นธรรมชาติถูกไหมครับเวลาเราเตือนคนที่เรารักกับคนที่เราเกลียดรูปแบบการเตือนโดยธรรมชาติมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เพราะนั้นเวลาที่เราพูดกับพี่น้องของเราบางทีไม่รู้จากการเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขาบางทีพูดไม่ดีกับเรามาบางทีเราสวนด่าเขาเลยมันแสดงว่าในหัวใจของเราขาดความรักมันไม่ใช่แปลว่าเขามีปัญหาอย่างเดียวแต่มันแปลว่าใจของเรานั้นก็มีปัญหาเรายังไม่เข้าถึงคำว่ารักพี่น้องเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นพี่น้องของเราจริงๆ เพราะนั้นผู้ใดที่สามารถยังสามารถพูดดีได้ถึงแม้จะถูกด่าว่าถึงแม้จะอะไรเขายังสามารถมีฮิกมะยังมีความอดทนแล้วก็เลือกตอบโต้ด้วยกับรูปแบบที่ดีที่สุดในสถานะของผู้สัทธาแปลว่าเขามีข้อที่สองนี้ด้วยข้อแรกก็คือเขามั่นใจว่าเราจะตอบแทนถ้ามั่นใจนี่ยิ่งสู้อันที่สองก็คือเพราะเขารักพี่น้องของเขาเพราะรักมันก็ยิ่งสู้เหมือนกันแล้วก็ข้อที่สามครับข้อที่สมมันแสดงให้รู้ว่าเขา มีความจริงจังในการข่มอารมณ์ตัวเองอัลอาส์ความจริงจังความมุ่งมั่นพี่น้องที่รักครับความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นมุสลิมเพราะถ้าพี่น้องไม่มุ่งมั่นพอไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพอเราไม่สามารถอดทนดสักเรื่องหลายครั้งที่เราอดทนได้เพราะเป้าหมายเราชัดเจนพี่น้องสังเกตด้วยนะเมื่อไรก็ตามที่เราจะทาอะไรสักอย่างแล้วเป้าหมายของเรามันชัดเจนมากๆเลย นั่นคือเรามีความมุ่งมั่นมากๆเมื่อนั้นเราจะมีความอดทนฝ่าฟันจนถึงเป้าหมายจนได้เพราะฉะนั้นหลายครั้งครับบางทีเราไม่รู้จะทนไปทำไมบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะอดทนเพราะอะไรครับเป้าหมายของเรามันยังไม่ชัดเจนความมุ่งมั่นของเรายังไม่ชัดเจนพ่วล้อเรียกคนที่พ่วล้อเรียกบุคคลที่พ่วล้อรักมากที่สุ ด, สดเรียกผ่านฉายาไหนครับความมุ่งมั่น วั s bir ก a m a s เบ a r อูลอัลสม์มิไม่น่ u รจงอดทนเหมือนกับบรรดาผู้ที่มีความมุ่งมั่นสุดๆจากบรรดารอสูนใบวสับที่พวกล้อใช้เลือกบอกให้เรารู้ว่าถ้าอยากจะมีความอดทนอย่างแท้จริงเนี่ยคุณต้องมีความมุ่งมั่นแล้วกลุ่มคนที่ล้อรักมากที่สุดก็คือบรรดาศาสนาทูต บรรดานาบีในนบีที่เอาร้อรักมากที่สุดก็คือบรรดารสูลในบรรดารสูลกลุ่มคนที่ร้อนรักมากที่สุดก็คือผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดที่มันชัดเจนสุดๆในความชัดเจนก็มีความเหดือมล้ากันอย่างท่านนาบีนัวความมุ่งมั่นของท่านมันชัดเจนมากพอที่จะทําให้ท่านนั้นสามารถดาวะคนทั้งทั้งที่ถูกด่าตลอดชีวิตของท่านได้ไปเรียกเวลา9ก้หปีเกินจินตนาการครับกำลังใจท่านมีความมุ่งมั่นขนาดไหนอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ พวกเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าการมีชีวิตยอยู่950ปีท่ามกลางการถูกชี้หน้าดา่าการถูกลังเกียจการถูกเบินหน้าการถูกนินทาการถูกใส่ร้ายสารพัดเนี่ยแล้วยังมีกําลังใจที่จะทํางานศาสนาขอร้องเผยแผ่เพื่ออ้อนเนี่ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะอดทนกับสิ่งเหล่านั้นเราจินตนาการไม่ออกหรอกพี่น้องอูรุอัสมีท่านอบีนะสุดยอดความอดทนท่านอบีอิบรอฮิมสุดยอดกับการเดินบททดสอบ ท่านลบีมูซาสุดยอดกับความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเจอกับรับมือไม่ใช่แค่กับมุกกับกบ้าโรแต่เจอกลุ่มของเต่งหุ่มยิวอีกท่านลบีเอซาแล้วก็ท่านลบีมอสลอลล์งานอะไรบัดซำลัมท่านบีซานี่คือโดนตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยตั้งแต่ในท้องแม่โดนจะทั่งคอดจกระทั่งตอนที่จะเสียตอนต ท, ที่นั่นจะถูกยกขึ้นไปหาพระมรสดุษมานุวาตาล้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าจะมีใครถามว่าถ้าเกิดฉันอยากจะพูดดีให้อัลลอฮ์รักย้ำนะ เพราะคนพูดดีมีหลายประเภทบางคนพูดดีแต่ว่าที่เขาเรียกว่าปากหวานก้นเปรี้ยวคือเป็นโมนาฟิกมีผลประโยชน์ที่อยากได้ลดเตรียมหลอกคนประเภทนี้มันก็พูดดีได้หรือบางคนพูดดีเพราะว่าเป็นคนอ่อนแอไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรใครก็เลยพูดดีหงอไว้ก่อนอันนี้ก็พูดดีได้บางคนก็พูดดีเพราะาอยากให้คนชมมันก็เป็นไปได้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการที่จะเป็นคนที่พูดดี พูดคำที่สุภาพพูดคำที่เป็นการให้กำลังใจทำให้เกิดสิ่งที่ดีในสังคมโดยให้อัลลอ์รักการที่จะพูดดีโดยให้อัลลอ์รักต้องมีสามอย่างนี้ต้องมั่นใจในการตอบแทนของล้ออย่างแท้จริงอันแรกต้องมั่นใจในการตอบแทนของล้ออันที่สองต้องมีหัวใจที่รักพี่น้องอย่างแท้จริงแล้วก็อันที่สครับต้องมีความมุ่งมั่น ที่ชัดเจนหากมีสามอย่างนี้อินชาลอแล้วไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราเมื่อบททดสอบเราจะโดนอะไรอย่างไรขนาดไหนก็ตามอินชาลอพวกเราทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยความเมตตาของลอครับผมครับตอนนี้ขอกลับมาทักทายพี่น้องนะครับเพราะว่าเริ่มมีพี่น้องทักทายเพิ่มเข้ามาจากที่คุยกันไปเมื่อกี้นะครับผมผมขอเรียกเป็นคุณอาด้วยนะครับคุณอัสบุลล้อนะครับศีสงหารครับตุกตี้ผมด้วยอาจารย์นะครับสลามมาก็วันนี้คุณสลามรถตุ๊กตูก็บอกว่าทุ่งกุ ฝั่งทวนชัดเจนย่าทำเดี๋ยวลครับคุณซาดาครับสลามมาวะลุมสลมตุลอหวะบรกาตุเช่นเดียวกับคุณยามามะนะครับผมวะวิลุมสลามอัตุลอวะบรกาตุครับคุณนาฟาติมาครับสลามมาก็วะวลุมสลามแล้วก็คุณอาซงนะครับสลามเต็มเต็มก็วะวิลุมสลามอัลฮัมตุลวะบารกาตุครับผมเอ่อเช่นเดียวกับกุณปัญญาดีเหลือสลามทุกท่านมาด้วยนะครับก็ผมตอบแทนก่อนด้วยนะครับวะวิลุมสลามนะครับผมคุณประทุมบอกว่าชัดเจน คุณยาสายหรือเปล่าครับยาสายอาจจะเป็นยาสายออกชื่อผิดของมัพด้วยสลามมาก็วัยคุณสลามรถตุ้ล้อบวบบาร์กาตูแล้วก็คุณหมอเจอหมีครับผมขออนุญาตเรียกสัน้นๆชื่อผมคงอออก่านไม่ถูกนะครับสลามมาก็วัยคุณสลามรถตุวว้ล้อบวบบาร์กาตูนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบคุณพิชยาสลามเต็มวัยคุณสลามรถตุวว้ล้อบวบบาร์กาตูบางลวมานะครับที่บอกมีวีร์รัฟังอยู่ นิวันนีครับผมอารฮัมดีแล้ภาพเสียงชัดเจนบารักอัลลอฮฺฟีกลุก่มคุณอิล HAM ครับสลามอย่างเต็มมาก็วารีคุมณสลาห์มรับตัวอุบาร์กาตัวคุณญายาสลามมาเช่นเดียวกับคุณวารีก็วารีคุณสลาห์มบารัมตุลลอฮฺวะบาร์กาตัว ค, ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรายัางคงพูดคุยกันอยู่ในส่วนของ Surah Al-Balad ลลซึ่งถ้าพี่น้องสังเกตดูก็คือมีสาระมีประเด็นที่ว่าให้เราพูดคุยกันเยอะมาก มีสาระประเด็นที่ว่าให้พวกเราคุยกันเยอะมากโดยเฉพาะอาย่นี้ที่ว่าวลีซาโนาวัชฟะไตถ้าเกิดพี่น้องบางท่านบอกว่าทําไมอาย่นี้อาย่าเดียวใช้เวลาเยอะเหลือเกินวันนี้หวังว่าจะทําให้พี่น้องชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของลิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดข้ามไปก็คืออยากจะพูดให้ชัดเจนตรงนี้ทีเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเจอเรื่องของการใช้คําพูดเราก็จะได้ไปแบบรวบลัดทีเดียว ในส่วนของสุรา t h น, นะครับก็วารีซโนววัชชฟัตัครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับสาระเท่าที่พวกเราลอชัยเมตตากับพี่น้องทุกท่านนะครับผมคุณยองสลามมานะครับออกราย่างชัดเจนก็วารีคุณสละมวะรอฮ์มาตุลลอฮ์ะวะบราร์อกาตุลครับพี่น้องที่รักยิ่งครับทีนี้มาคุยเรื่องประเด็นที่3ามพันอีกประเด็นหนึงคําพูดดีๆเนะี่ยเราจำเป็นต้องพูดกับใครบ้าง มีใครบ้างที่เราพูดหยาบได้มีใครบ้างที่เราด่าได้มีใครบ้างที่เราไม่ต้องพูดดีกับเขาประเด็นนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านประการแรกครับต้องพูดดีกับใครบุคคลแรกที่เราต้องพูดดีด้วยมากที่สุดผมคิดว่าพี่น้องทุกคนน่าจะคิดเหมือนเหมือนกันแน่นอนครับกับพระมลสุบบฮานฮูวาตาอาลากับนายของเรา ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นมุสลิมถ้าเกิดเป็นผู้ศรัทธาคงไม่มีใครเลือกใช้คําพูดหยาบหยา บ, บกับองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต่าละเราควรจะต้องใช้คําพูดที่ดีที่สุดยาวล้อค่าน้อยหรือยาวล้อข้าพระเจา้าหรือยาวล้อเนี่ยบาวคนนี้เป็นบาวที่ต่าต้อยพยายามเลือกใช้คําพูดที่ดีที่สุดเวลาจะขอดวงจากอัลลอฮ์เวลาจะพูดกับองค์อัลลอฮ์เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เวลาที่เราต้องการกําลังใจจากอัลลอฮ์อย่าลืมต้องใช้คําพูดที่ดีที่สุด คำพูดที่ออกมาจากใจเพราะเราอย่าลืมว่าผู้ร้อนนั้นเป็นอัลบาตินผู้ร้อนรู้สังทังทั้งหมดที่อยู่ในหัวใจของเราเหมือนกับที่ท่านบีมสัสลรย์สลัมได้ประกาศออกมาได้พูดออกมาไม้ซาบารู้ว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้กําลังวิงวอนขอต่อคนที่เป็นใบหูหนวกนะคือไม่จําเป็นต้องตะโกนโวยวายอะไรเราจะพูดดังผูลร้อนก็รู้รู้ที่เราพูดรู้ในใจเราเราจะพูดค่อยๆเอาลอก็รู้เราจะคิดในใจผู้ร้อนก็รู้ เพราะฉะนั้นคำพูดดีๆที่เราต้องเริ่มด้วยก่อนห้เกิดพี่น้องบอกว่าอยากจะเพิ่มอยากจะพัฒนาตนตอนนี้นะครับอย่างแรกพูดดีกับอัลลอ์โดยเฉพาะตอนที่พี่น้องอุทานผมเคยเจอพี่น้องบางท่านเวลาอุทานปุ๊บเป็นพระนามของผู้อัลลอ์บวกด้วยกับคำอยากนะอุซบิลลาฮิมิลาลิกก็คือก็พอจะเข้าใจอารมณ์ประมาณว่ามันมันมันมันสะดุ้งจริงๆมันไม่ทันคิดมันไม่ทันตั้งตัวจริงๆแต่ว่าพี่น้องครับ เราต้องระวังให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าใครมีความผิดพลาดตรงนี้ท่าที่ผมเจอนะครับที่ผมเจอมาส่วนใหญ่ก็จะบอกอสัสซัคฟูลอสก็คือก็รู้ตัวว่าพูดผิดไปนั่นแหละแต่ก็คือว่าขอทวารเจ้ า, จอาลอให้เราเปลี่ยนแปลมันได้แล้วก็แน่นอนครับเราก็ต้องไม่สาบแช่งพวกลอสุบฮานะหัวตาแหละบางคนบอกมุสลิมที่ไหนจะไปสาบแช่งพวกลอสมีเหรอมีครับในดิสเนีบีวสัสดีซัมได้อธิบายไว้ครับก็คือการที่เรานั้นไปสาบแช่ง สิ่งเคารพของศาสนาอื่นไปอยู่ต่อหน้าเขาแล้วไปสาบแช่งเลยย้ำนะสาบแช่งไม่ใช่พูดให้เขาคิดได้ไม่ใช่ประเด็นที่บอกว่าคุณกราบไหว้ทำไมคุณสร้างมากับมือไม่ใช่เหลื่อมป้องกันตัวเองก็ไม่ได้ทาไมไปกราบไหว้อีกล่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สาบแช่งแต่สาบแช่งก็คือใช้คำหยาบใช้คำอะไรก็ตามแต่กับสิ่งที่คนอื่นเคารพ เพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในยักุรานพวกล้เก่าในสุรานออมครับถึงสัจธรรมที่ว่ามันเป็นทุกยุคทุกสมัยเลยพี่น้องเวลา ا ต่ซุบุลละ ل ีนยาดะอูนมินดูนิลลาฮิฟยซบุลลอฮะ ع د و ا م ب غ ي ل م ك ذ ل ك ز ي ي ن ا ل ك ل أ م ه م ث م إ ل ى ر ب ه م ا ر ج ي ه م ف ي ن ا ب ي ه م ب م ا ك ي ع ل و ن ในสุรานอัลอัมพวกล้อเสมอเลยเตือนพวกเราทุกคนเอาไว้คับว่าพวกนั้นทั้งหลายจงอย่าได้ไปสาบแช่ง ต่อสิ่งที่ถูกเรียกร้องเชิญชวนนอกจากก็ร้อจะเป็นหลุบเจเวิตจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คนแกลบว่าที่ว่ามันอะไรก็ตามแต่ที่มีในโลกนี้พวกเราบอกไหมครับอย่าได้ไปสาบแช่งเพราะฟ่ายสุบุลลหรอเพราะถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นครับสิ่งที่เาคารพถูกสาบแช่งเขาก็ย่อมต้องสาบแช่งพ่อร้อกลับมาซึ่งมันเท่าเทียมกันไหมล่ะไม่เท่าเทียมกัน มัคลุกถูกสาบแช่งกับคอลิกถูกสาบแช่งสิ่งถูกสร้างถูกสาบกับพู้รับผู้สร้างถูกสาบมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันมันไม่มีทางที่เท่าเทียมกันเพูดถึงการพูดดีๆต้องกับผู้รับสุบฮานหัวตาละแล้วในขณะเดียวกันครับก็ต้องระวังอย่าให้เราเนี่ยเป็นเหตุให้พู้รับสุบฮานหัวตาลานั้นต้องโดนใครด่าว่าหรือสาบแช่งบางทีคนไปด่าว่าเขาแบบไม่ดูตาหมาตาเรือแล้วก็ไม่ได้ใช้ฮิกแม ฮิกมะนี่สําคัญนะก็คือต้องใช้ความคิดต้องไต่ตองว่าใช้รูปแบบไหนจะเหมาะที่สุดบางทีก็คือพูดขวานพาซ่าบอกฉันพูดความจริงจะเป็นอะไรไปอุดออยลาสาวีรับบีกับิลฮิกมาตีวลเมอิตาาสต์ฮาซานะพวกอ่าวในอัลกุรอานนะครับว่าจงเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์โดยใช้ฮิกมะพวกล้อสั่งเลยนะไม่ใช่บอกว่าฉันถูกฉันจริงฉันพูดอะไรได้หมดค้านกุรอานครับใครทําอย่างนี้ขอให้รู้ว่าคุณกําลังค้านกับคําสั่งของพวกล้อสุบฮานตาในอัลกุรอานอยู่บางคนอาจจะบอกก็ฉันเป็นคนหยาบแบบนี้ นี่คืออัลลอฮ์พูดคุณจะหยาบไม่ห ย, ยาบไม่รู้แหละแต่นี่อัลลอฮ์พูดไม่ได้เถียงใครแต่คุณกําลังเถียงอัลลอฮ์อยู่หรือเปล่าเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์บิลฮิกม้วันมอิรอห์จะนะต้องใช้ความคิดเยอะว่าจะใช้รูปแบบไหนที่มันจะเปิดใจเขาไม่ใช่ว่าสะใจเราไม่ใช่ว่าไปสร้างความเจ็บปวดสร้างความแยนให้กับเขาถึงเวลาเขามาด่าลอต่ออันนั้นย่อมไม่ใช่รูปแบบที่อิสลามสอน ซึ่งพวงร้อนได้บอกครับมันเป็นสัตธรรมการไลิกาไซยันาลิกุลอุมตินอามาลาหุ่มเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบนี้แหละที่พวลร้อนนั้นให้แต่และกลุ่มชนเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าสิ่งที่เขาทําน่ยมันดีที่สุดมันถูกต้องมันยอดมันหรูมันเลิศมันก็ทุกทุกกลุ่มชนเป็นแบบนี้ถูกไหมครับผู้ที่กระว่ายพวง ร, ร้อนสุภามตายาะไรนี่แน่นเราเชื่อมั่นในความถูกต้องของเรา แต่กลุ่มอื่นเขาจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเขาก็ต้องมองว่าสิ่งที่เขาทําน่ยมันดีและเกินคนจะกราบไหว้วัวก็ต้องมองมันดีและเ ก, กิน ม, ม, ม, มันเจ๋งที่สุดสำหรันสนบสมบัติเขาเพราะนั้นถึงเวลาเราไปด่าเขาเข า, เขาก็ด่าเราซึ่งอย่างที่ย้ําครับในข้อด่านคือ ม, ม, ม, มันไม่เท่าเทียมกันมันไม่เท่าเทียมกันแต่พวกเราบอกให้ครับถึงเวลาเนี่ยทั้งหมดเนี่แหละจะต้องกลับไปวิบาลของเขาแล้วพวกเราจะบอกให้เขารู้ว่าพวกเขาทําอะไรไปบ้างซึ่งถึงตอนนั้นก็ก็สายไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้ว ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเบรกแต่เพียงเท่านี้เพราะาหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อต่อเนื่องแล้วก็จะยาวนิดนึ่งเจ้าอ so, ินชาลอ้ะหวังว่าพวกเราคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันในครั้งต่อไปครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในวินวันนี้นะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรไปแล้วก็มันไม่สบายหูไม่สบา ย, บายใจทำให้ใครรู้สึกแย่อะไรผมก็ขอมัพี่น้องทุกท่านด้วยแต่ก็ ด้วยความรักนะครับที่มีต่อพี่น้องทุกท่านแล้วก็ด้วยความหวังความปลุกปานจากอขาเลาะให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับก็ศาสนาคือการตักเตือนก็หวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์ทั้งตัวผมเองผู้พูดแล้วก็ทั้งตัวผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับเรา อย่าลมต้องขอดีจากผู้ไว้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการขออภัยโทษเพราะการขออภัยโทษนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากความผิดบาปของเราในอดีตหรือความชั่วร้ายความพังเผื่อในสิ่งที่พวกเราทําไปท่านนาบีมุสลอิมในสถานะที่ท่านนั้นเป็นบุคคลที่ถูกรับรองการันตีแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่เอาผิดแน่นอนมะซูมพออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาการันตีรับประกันแล้วว่าท่านนาบีนั้นไม่ถูกเอาผิดแน่นอนในสิ่งที่ท่านทำํำแต่ท่านนั้นกลับกลัวผู้อับรับมาก เกรงกลัวพวกล้อรมากรักพวกล้อมากหวังพวกล้อมากแล้วท่านก็ขอไปโทษต่อพวกล้อวันหนึง่งมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่มีความจําเป็นต้องขอไปโทษเลยเราประเสริฐไม่ได้เท่าเศษของท่านนบีวะซุลลอฮฺอุกไนรีบัสสลามแต่บางทีเราก็พังเผยกับการไม่ขอไปโทษต่อ Allah, แล้วก็มองข้ามเราก็คิดมันเป็นเรื่องที่แบบมันไกลตัว บางทีละหมาดเสร็จแล้วซักเลื่อแล้วเราก็รีบอ่านมันจะจบซักเลือซักเลื่อซักขอให้ทุกต่อร้อยมากๆครับแล้วก็หวังว่าร้อยนั้นจะให้อภัย พ, พวกเราทุกคนครับยาวล้อยครับขอด้วยจากพงค์สุภานุวาตายแล้วเกียวกับการที่ว่าพรงษ์นั้นเป็นอันเอาวันเป็นผู้แรกไม่มีผู้ใดก่อนพระองค์เป็นผู้สุดท้ายไม่มีผู้ใดที่อยู่หลังจากพองษ์พงค์นั้นยกทรงเป็นผู้ที่อยู่เหนือสุดไม่มีใครเหนือพองษ์และพงษ์นั้นเป็นผู้ที่เลลับที่สุดไม่มีใครเล่นลับมากไปกว่าพรงค์ก็ขอด้วยจากพงที่มันิด ว่ามันเป็นสิ่งที่มันผิดแล้วก็ให้เราออกห่างจากมันได้แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกแล้วก็ขอให้เรานนั้นสามารถแก่ทามันได้ขอให้เรามีความหนักแน่นมีความมุ่งมั่นพอในการเป็นบ่าวของพระองค์ไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบใดก็ตามแต่ว่าอย่าล้อ yes ในขณะเดีวยวการโปรดอย่าทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันเกินความสามารถของพวกเราแล้วก็อย่าทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่ว่ามันเป็นบททดสอบที่หนักๆที่พระองค์เคยทดสอบกับ บุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราในบททดสอบของพวกนั้นยาวล้อปวดให้ความแย่ใดแก่เราขอให้เราผ่านมันไปได้ในสภาพของบ่าวที่ปรงรักด้วยเถิดขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบ่าวที่ว่าได้ระมัดระวังในคําพูดของเราอย่าให้คําพูดของเรานั้นมันทําให้เรากลายเป็นบุคคลล้มละลายในวันลุกหน้าในวันที่ว่าความเสียใจใดๆก็ไม่ยังประโยชน์อีกเลยด้วยเถิดอาเมนครับอักุลกาลีฮะดะวาซักรุลอฮะลีวาลัคุมวลิสัยลิมุสลิมีน่ามินคุลิดัมบินวลสักฟิรูอินนหูวลกาฟูร์ะหิม สุบฮานก็ลลอฮ์วะฮิฮัมดีกะอัลชาดุลลาอิลาฮิลัักริกะวาตูบุไลจนกวจะพบกันในครั้งต่อไปด้วยความเมตตาของเราอิชาลลาฮ์ครับซึลลามะลิขุมุลลัมตุลลอฮ์วะบรกาตุขับุม